เอาน่าย่าซีเรียกเรื่องพระองค์นี้ทำมาจากอะไร hmm. นายแพทย์คนหนึ่งซึ่งร่ำเรียนมาไม่น้อย รักษาคนมาก็มากโขแต่หลงลืมรักษาใจของตัวเองวันหนึ่งมีโอกาสได้กราบนมัส ก, การพระวิปัสสนาจารย์ใหญ่นามหลวงพ่อเทียนจิตะสุโพออย่างใกล้ชิดนายแพทย์หยิบพระนางพญาราคาแพงอายุกว่า700รอปีขึ้นมาอวดยังไม่ทันพูดหลวงพ่อก็ปุจฉา พระองค์นี้ทามาจากอะไรทำจากเนื้อดินเผาแกร่งสีน้ำตาลเข้มนายแพทย์ตอบด้วยความภาคภูมิหากหลวงพ่อกลับยิ้มแย้มไม่มีอาการตื่นเต้นหรือรู้สึกทึ่งในกฤิดดาพิณิหารของพระเครื่องแม้แต่น้อยดินนั้นเกิดมาพร้อมกันตั้งแต่สร้างโลกพระองค์นี้ ไม่ได้ก่าวแก่ไปกว่าดินที่เราเหยียบก่อนเข้ามาในบ้านนี้หรอ